สลและทมได้เป็นอย่างดีดังนันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเป็นสาระสําคัญซึ่งแต่ละตัวมก็ต้องมีอุปสรรคเลยนะแต่การที่เราบอกตัวเองไว้เนี่ยทําให้เราเข้มแข็งในอุปสรรคต่างๆเหมือนอย่างที่หลวงพ่อถามผมเมื่อกล่าวก่อนหลังจบบรรยายแล้วบอกว่าเอขอขอเล่าหน่อยนะหลวงพ่อนะหลวงพ่อตั้งปัญหาถามมาเป็นจะตาชีวิตว่า อทําอะไรแล้วทําดีกลายเป็นร้ายนะคือทําแล้วจะต้องมีเรื่องเหมือนเป็นผลร้ายตามหลังนะเรื่องต่างๆผมไม่ไม่เล่ารายละเอียดมากไปละเดี๋ยวจะเกินอนุมอนุมัติของท่านที่นี้ท่านก็บอกว่าเอจะสร้างพระไตรปิดกเล่มไหนดีเนะนจะสร้างตั้เล่มก็ตอนนั้นก็เลยยุ่งๆอยู่เลยไม่ได้ทันคุยก็เลยจะบอกท่านบนนี้ว่าสร้างยมกท่าพี่ทํากับมียมก อภิธร ร, รมคำพิยมกเนี่ยเป็นแปลว่าคู่คือมีอันหนึ่งแล้วต้องมีอันหนึ่งถึงเรียกคำพิยมกนะ่ะไม่ทําแล้วไม่ได้อันหนึ่งเสียอันหนึ่งเพราะนั้นคนเอพระบางองค์เนี่ยท่านจับเคล็ดได้ท่านว่าให้อะไรทําอะไรตนะ้องเขนึกให้และให้มันครบให้เป็นคู่ไม่ไม่ขาดไม่วินทําแล้วก็อธิษฐานเอาบา ร, รมีตรงนี้บอกขอให้เราเนี่ย เมื่อตั้งใจจะทำอารันนี้แล้วเนี่ยขอให้มันออกผลิผลมาเป็นธรรมนองอย่างนนไม่ได้อย่างเสียอย่างในคพียมกเนี่ยทุกอย่างมีคู่หมดมีการถามไปก็มีการถามกลับมีข้างหน้าก็มีข้างหลังคือบทหน้ามีบทหลังมีเบื้องต้นมีเบื้องปลายมีสงมีสันนิฐานมีซักฟอก ตั้งบทสนิษฐานแล้วมีบทสักกอกอะไรเงี้ยจเรียกว่าไม่ไม่มีการให้มันเสียไปอันหนึ่งทุกอย่างต้องครบวงจรสมปรารถนาที่เราปรารถนาจะให้เป็นหลวงพ่ออมาวันเมื่อหลายปีปีสามสองนะท่านเคยเอาพระมาแจกนะแจกพวกเราที่ไปตอนนั้นแล้วท่านแจกทุกคนแจกสององค์แล้วท่านบอกอะไรรู้ไมท่านบอก ท่านจับเพล็ได้อันหนึ่งว่าไอ้ประเภททําได้อย่างไรอย่างเนี่ยนั่นเลยจําได้เลยว่าเวลาจะให้อะไรต้องให้ให้สองให้และให้ครบสองพวกโยกีตอนรุ่นนั้นก็ได้มาคนละสองละสองเป็นเป็นพระสมเด็จที่มีคนจีนคนหนึ่งนะนักธุรกิจสมเด็จเนี่ยเห็นว่าสมเด็จพุทธโกศพุทธอาจารย์ไปเข้าขันออกแบบอะไรให้เสร็จเลยแล้วก็บอกให้ไปให้ ให้หลวงพ่อเนี่ยแจกคนว่าอีกเอาวาว่าต่อว่าพระผู้มีพรภาคจึงได้ทรงยกอธิบดีเนี่ยเป็นตัวหลักซึ่งเราจะลืมไม่ได้แล้วก็ให้เป็นจะเรียกว่าให้เป็นหัวหน้าของคุณธรรมของเราก็ได้หรือจะว่าเรามีคุณธรรมของเราเป็นหัวหน้าเป็นตัวชี้ชะตาชีวิตของเราก็ได้ และสิ่งเหล่านี้นะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่ในตำราเป็นอำนาจชนิดหนึ่งเป็นพลังชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอธิปฏิปฏัจเจเนตปฏิโยสามารถที่จะก่อให้เกิดผลสำลิดขึ้นอย่างที่ปรารถนาและผลสํำลิดที่จะพึงเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการภายในอันนี้ก็เป็นลักษณะของพระคุทธศาสนาหนึ่งว่าไอ้ผลได้ภายนอกเนี่ยมันเป็นของทีหลัง หรือมันเป็นของลำดับสองแต่ผลภายในเนี่ยคือของที่จะมาเป็นเบื้องแรกจะตาชีวิตและดวอนาคตของคนว่าคนคนนี้สามารถจะทําอะไรได้หรือไม่เนี่ยเราดูเข้าไปถึงข้างในถ้าเห็นข้างในของเขาอ่ะเขามีคุณลักษณะภายในมีที่พระเจ้าเรียกเป็นภายในภายในในี่หลายวุหันน ะ, ะเป็นผู้อนุเคราะห์ภายในเป็นมิตรภายใน หรือจะเรียกเป็นโบหานอย่างอื่นอีกมากมายหลายอย่างถ้าคนนั้นมีภายในอย่างนี้ภายนอกคนที่มีภายในอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีกุสมบัตใครๆเขาก็สแสวงหาอย่างที่เราเคยพูดกันว่าแม้แต่คนก็สแสวงหาแตงเอาคนมีภายในอย่างนี้เขาก็อยากจะได้ไปเป็นผู้ร่วม ง, งานของเขาหรืออยากจะได้เป็นผู้นำของเขาและแม้แต่โชคจะตายเองโชคจะตาในชีวิตของเราเนี่ยนะฮะ ก็อยากจะมาฝากผีฝากไข้ไว้กับเราด้วยถ้าเรามีภายในเป็นอย่างนี้นั้นเรานี่แหละเป็นผู้ที่ลิขิตชีวิตด้วยการตั้งหลักภายในให้นาให้ได้แล้วก็ไอ้วงจุ้ยข้างนอกมันก็จะเลียงแถวมาในลักษณะที่เป็นประโยชน์เครือขูนต่อคนคนนั้นไม่ใช่ไปจัดแจงข้างนอกซะจนกระทั่งลืมข้างใน ไม่อย่างนั้นจีนซึ่เป็นตาหรับฮวงชุ้ยเนี่ยไม่กลายเป็นคอมมอนนิสต์ไม่เคยไปละคนเคยไปก็มาเล่าศาสนาก็คลาดเคลื่อนอยู่ไม่เคยจะเย็นเป็นไม่เคยใจสุกขเนี่ยเป็นแล้วก็ไอ้อที่ม้าตาหรับฮวงชุ้ยไอ้อย่างฮ่องกงเป็นไงกัลัง จ, จะยเยนยึยึดอยู่แล้วไอ้พวกคนฮ่องกงก็รีบทําไมไม่ออกแบบฮวงชุ้ยเกาะฮ่องกงได้ดีล่ะจีนจะได้ยึดไม่ได้ เพราะนั้นคนที่มันทำอะไรได้แค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่พื้นฐานของตัวคนก่อนนะแทบจะปรับตาทำก็สำเร็จสำหรับคนหลายๆคนจารนี้มาพูดว่าทั้งสี่ตัวเนี่ยเมื่อมันสเสด็จไปใจอื่นแล้วในที่นี้เขาจะพูดเฉพาะในขอบเขตภายในฉันทาทิปฏิ ฉันทาสัมพยุตสกานางธรรมานางตังสมุทฐาน น, น้นจารูปานาธิปฏิปเจเนนะปะเยโยตรงนี้หมายความว่าเมื่อบุคคลเกิดฉันทาทิปฏิขึ้นประณีตเท่าไหร่ชั้นสูงเพียงไรลึกซึ่งอย่างไรหนุกุมอย่างไรเนี่ยจะมีผลทำให้เจตสิกกรรมที่เกิดร่วมกับฉันทะนั้นมีพลังแล้วก็เรียกว่าหัน หางเสือไปอยังจุดหมายปลายทางนั้นเราลองนึกถึงว่าเมื่อเรากระทำอะไรอยู่ด้วยฉันทะเกิดฉันทะอย่างประณีตลึกซึ้งเนี่ยสภาวะจิตของเราทั้งดวงมันถูกอิทธิพลของฉันทะที่จะยกฉันทาขึ้นมาหรือจะพูดถึงว่าตถาก็ได้นะฮะตถาที่เป็นคู่แฝดกับฉันทาเนี่ยก็จะทำให้เรา เกิดความเรียกว่ากระฉับกระเฉงเกิดพลังเกิดอำนาจขึ้นมาอย่างหนึ่งคนที่มีความพอใจเนี่ยนะแต่ถ้าคนไม่มีความพอใจที่จะทำไม่ว่าอะไรมันจะไม่เหมือนกันนะเวลาเรามีความพอใจที่จะทำอะไรเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีความสุขที่เราพอใจที่จะทำใช่ไมมใช่นี่แต่พูดถึงทำในสิ่งที่มีประโยชน์นะถ้าไม่เป็นประโยชน์มันก็เป็นความ ในชั้นขณะกระทำแต่อาจจะเป็นเป็นความทุกข์ในชั้นหลังและความพอใจที่ตัวเองกระทำในชั้นแรกอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่ตัวเองไม่พอใจในชั้นหลังได้ mm. เรานึกถึงคนที่เกิดความพอใจในทางที่ไม่ดีชั้นทาธิปติเนี่ยท่านหมายรวมเอาทาั้งทางดีและทางไม่ดีไว้ด้วยกันเลยถือว่าเป็นชันทาธิปติด้วยกัน ทางดีกับทางไม่ดีแต่ในทางที่ควรจะทาควรจะเป็นและที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในข้อปฏิบัติท่านจะหมายเอาในทางดีตัวฉุดตัวกระตุน้นความกระปรี้กระเป่าความแช่มชื่นของดวงจิตทั้งดวงเอาไว้อันนั้นเป็นอธิปติยหนึ่งที่มีผลแก่จิตและพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่ท่านใช้คาว่าตั้งสมิสการนั้นจะรูปานัง อันนี้คล้ายๆกับเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนะพูดในเชิงแง่ค่าบุญค่าบาปแต่ว่าอธิปตินะพูดในเชิงผลสลัมฤทธิ์ในการงานผิดบ้างถูกบ้างสูงบ้างต่ำบ้างบุคคลที่มีฉันทะในการที่ตัวจะพึงกระทาเกิดขึ้นแต่ดวงจิตแล้วในดวงจิตแล้วกายกรรมบัจีกรรมของบุคคลนั้นที่แสดงออก ก็จะแสดงออกอย่างคนที่มีความกระปี้กระเปร่าตัวศรัทธานั่นเองครับมีความผ่องใสมีความแช่มชื่น เ, เห็นแล้วก็น่าศรัทธาน่าพอใจตามน่าเลื่อมใสนะครับเราเรานึกถึงคนที่ทำอะไรด้วยความพอใจกับให้พอใจนียก็จะแตกต่างกันแต่นนี้มาถึงวิริยะคือทำด้วยความเพียรพยายามความพยายาม ไอ้ความพยายามตัวนี้นะเขาใจกันง่ายและเราก็เห็นคุณค่าไม่ว่าจะเป็นในทางโลกหรือในทางธรรมคนขี้เกียจเนี่ยไม่มีใครชอบทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยเฉพาะในทางธรรมนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติเป็นคุณธรรมที่เหมือนเป็นหัวหน้าของภาคปฏิบัติจริงๆท่านถึงเรียกในสติปัฏฐาน ในการทำบุญทำบาปก็ตามว่าเป็นประโยคะเรียกกรรมาฐานว่าเป็นอ่าเป็นโยคะเรียกผู้ปฏิบัติกรรมาฐานว่าเป็นโยคีหรือโยกาพจนก็เรียกเรื่องนาจของวิญญนั่นเองครับนี่เป็นตัวกระทำคือถ้าพอใจแล้วไม่ได้ลงมือกระทาก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นที่รู้กันสำหรับจิตตะคือความต่อเนื่องความมั่นคง ทำอย่างมั่นคงทำอย่างต่อเนื่องด้วยอำนาจของจิตต์ที่เรียกว่ า, าเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งก่อนคริงได้เคยพูดมาเยอะแล้วในแง่นี้แต่ว่าถ้าจะว่ายจริงก็ว่าเรื่องของการทำต่อเนื่องเนี่ยถ้าเราประมวลพระสูตรคายำ้าคำเตือนของพุทธเจ้ามาอธิบายมาเป็นหลักฐานแล้วก็นึกเทียบกับ ความเป็นจริงในทางการแสดงตัวการปฏิบัติตัวของเราเนี่ยก็อันนี้ก็เห็นชัดเราพูดถึงว่าต่อเนื่องในลักกิจอะไรอะไรก็แล้วแต่นะอย่างเช่นว่าเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งรวดเดียวจบกับอ่านบทหนึ่งแล้วทิ้งไว้สองวันมาอ่านอีกจะต้องอ่านบทหนึ่งหรือว่าฟังธรรมะ ก, ก็เหมือนกันหรือแม้แต่คนพูดธรรมะบางคนพูดไปชั่วโมงครึ่งต้องหยุดแล้วเพราะว่าคอมขาดคอ ตอนเนิ่งไม่ได้แต่บางคนพูดทั้งวันก็ไม่เป็นไรเสียงไม่ตกแต่บางคนมาอยู่ข้างล่างดีๆพอขึ้นไปบนเวทีพูดก็แรงทั้งหมดหมดหมดหมด <Yeah. S 1> แพ้เวทีพูดสัมมาแต่บางคนเนี่ยอยู่ข้างล่างจะเป็นจะตายพอขึ้นบนเวทีและหายก็เจอบางคนก็ว่าอย่างนั้นที่เป็นปลาก็มีเป็นโยงก็มี <Yeah. S 1> ก็ไอ้นี่ยมานอธิบายได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรยังไงนะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือไอ้เรื่องของ ไอ้อย่างเช่นฉันทะเนี่ยมันก็เป็นส่วนสาคัญถ้าคนทําอะไรในสิ่งที่ตัวพอใจแล้วมันก็หายเจ็บหายป่วยหายเมื่อยหายเพลียถ้าไปทําในสิ่งที่ตัวไม่พอใจแล้วมันก็หมดพลังตักยภาพที่จะทําต่อได้ผมถึงเชื่ออันหนึ่งแล้วผมก็ฝันว่าผมถ้าผมไม่ได้บวชได้อะไรเนี่ยก่อนที่ผมจะตายเนี่ยขอให้ผมได้ไปเข้ากรรมาฐานต่อเนื่องให้ได้สักปีหนึ่งเต็ม โดยไม่ออกไปไหนเลยกำลังหลอกบางคนให้รอไปได้วยกันอย่าเพิ่งรีบตาดแต่ก็จะค่อยๆเริ่มเอาตั้งแต่ว่าสามเดือนขยายเป็นหกเดือนขยายเป็นเก้าเดือนแล้วขยายไปนะแล้วก็ความเชื่อนี้เชื่อเห็นความเป็นไปได้ในดงังเหผลเลยว่ามันจะเกิดอะไรที่เป็นไปได้ แ ต, แต่ตอนจะไปผมก็จะไม่บอกใครแล้วครับเดี๋ยวจะมาจ้องาผมออกมาแล้วมันจะเป็นโสดาบันนะแล้วแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมันนั่งแก้ตัวกันแต่เชื่อไหมว่าถ้าทําอะไรอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะโดยเฉพาะทํากรรมฐานเนี่ยสําคัญมากต่อเนื่องจริงๆเนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นมากน้อยตามภูมิปัญญาของเราความดีกุศลอะไรทั้งหลายถ้าทําต่อเนื่องไม่หยุดยั้งเนี่ยนะมันไม่เหมือน ก็คนที่ทําแบบหยุดหยุดยังยังทำความชั่วต่อเนื่องก็เหมือนกันเย่นว่าทําำเยอะทางเหลืออีกปีจะตายโอช่วยช่วยไม่ได้แก้ไขยากเพราะทาต่อเนื่องนั้นเอเรื่องต่อเนื่องเนี่ยจึงจึงหยุดไม่ได้และเราเองกับบุญกุศลเนี่ยเราต้องตกลงใจเอาไว้อย่าอย่าเอาอย่างบางคนนะ เวลามีความทุกข์มาพอแก้ความทุกข์ได้ทุกข์หายตัวก็หายไปเลยพอมาอีกห้าปีต่อมาโสมมะยะโสมมะยะมาแล้วก็มาทุกเก่ามาใหม่ก็มีไอ้ทุกข์ไม่เคยคาดว่ามันจะมามันมาใหม่ก็มีแล้วก็ต้องมานับหนึ่งมาแก้ไขกันใหม่อย่างนี้ก็มีทีนี้ถ้าเขาเนี่ยคนเนี่ยมันต้องมีความดีที่ต่อเนื่องเอาไว้เราจะทําอะไรสักอย่างที่ต้องหาให้ได้นะ ว่า อ, อความเบียดนี่เราจะต้องทำต่อเนื่องทีนี้วิธีทำสร้างความต่อเนื่องจะทำยังไงเนี่ยเรื่องเยอะเรื่องมันเยอะแม้แต่ว่าจะสวดมนต์ให้ต่อเนื่องนั่งสมาธิให้ต่อเนื่องทุกวันเนี่ยตัวเราเองนี่เรายังตมอมีอุบายนะอุบายนี่มันมาจากทำยังไงถึงจะทำได้ต่อเนื่องถามว่ากระผมมอมใจไหมผมก็ใจผมก็เริ่มหลอกตัวเองนั่งกะว่าก็เหมือนมันก็เปิอดออกนะ เราตั้งสาสตร์แล้อาทิตย์นี้เราต้องเอาผลประโยชน์มาหลอกเมืองก่อนผลประโยชน์เลือความทุกข์อะไรทุกอย่างเนี่ยตั้งตัวเรานี่จะจะต้องการอันนี้จะไม่ต้องการอันนี้แล้วเราก็รู้ว่าต้อ ง, ต, องต้องทําก็ทําบุญทําแต่เต้องทําสมาธิเป็นตัวเร่งเป็นเชื้อเร่งไอบุญอื่นๆให้แรงให้ให้ผลเร็วแต่คนเนี่ยมันมีตันดานที่เกียนเหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าอาจารย์ไม่ว่าลูกศิษย์เราก็ต้องค่อยๆ บอกมันว่านี่อาทิตย์นี้ต้องทํานะฮะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ใครวิธีการส่งกระตุ้นอะไรวะทำแล้วก็เอาไอนาฬิกาตั้งบิดบิ ด, บดตั้งกว่าถ้ามันแยงแยงอยูย่ยว่ามากไปก็ให้มันน้อยน้อยก่อนนะแต่น้อยแค่ไหนตามกําลังเราแล้วก็ทําเช้าทําเย็นทำเช้าทำเย็นพอทําไปแล้วเนี่ยมันเกิดมันมันทําแล้วมันต้องดีฮะเป็นเป็นของอร่อยแต่ไอตอนจะเริ่มทํามันเห็นเป็นของขม เราก็เริ่มค่อยๆขยายเวลานะฮะไปอีกอาทิตย์หนึ่งเป็นอีกสองอาทิตย์จนกระทั่งใกล้เข้าพรรษาพอเข้าพรรษาเราสามเดือนเลยทีนี้สามเดือนเลยอธิษฐานสามเดือนทำพอออกพรรษาแลา้วหาเรื่องหาเรื่องต่อยจนกระทั่งมันกลายเป็นนิสัยเป็นนิสัยที่เราตื่นขึ้นมาต้องทําทําตอนเนื่องแล้วก็สังเกตดูเออไอ้วันไหนช่วงไหนที่เรา ขาดการทําสมาธิใชีวิตเราเป็นยังไงจิตใจเราเป็นยังไงเห็นชัดนะในขณะที่เราทำเนี่ยเป็นยังไงเห็นชัดเห็นชัดจริงๆคนที่เคยทําเนี่ยรู้เลยบางคนก็ลืมพอจะมา น, นึกได้ก็ทําอีกทีก็สมาธิไม่รู้หายไปไหนแล้วอันนี้ก็ว่าเป็นอย่างกิดเป็นกิดกิดนั้นคนที่มีลักษณะของความมั่นคงเนี่ น่าไว้วางใจน่าไว้วางใจและถ้าคนไหนมีลักษณะของความไม่ต่อเนื่องมั่นคงเนี่ยไม่น่าไว้ใจเลยสําหรับผมแม้แต่ความเรื่องสความศรัทธาก็น่ากลัวใช่ไหมจ๊ะไม่ว่าจะเราศรัทธาเขาหรือเขาศรัทธาเราน่ากลัวมากความไม่มั่นคงในทั้งสี่ตัวเนี่ยเขาเรียกว่า สหาชาตาธิปติเป็นอาทิบดีภายในเราจะเรียกว่าอิทธิบาทอาิบดีก็ได้หรือสหาชาตาทิปฏิทิบดีทิปฏิหรือธิบดีก็ได้สหาชาตาแปลว่าอาิบดีที่เกิดร่วมอยู่ในดวงความคิดสหาชาตเกิดร่วมอยู่ในดวงความคิด ถ้าเรียกว่าอธิบาตอธิบดีคืออธิบดีที่เป็นหมวดธรรมของอิทธิบาทอิอธิบาทิสี่เป็นบาทของความสมําเร็จในการงานที่กระทาเพราะมีอธิบดีเป็นหรือเป็นผู้บริหารงานนั้นด้วยคุณธรรมที่มีกําลังแรงยิ่งอันนี้อยู่ในใจของเราที่เราสามารถที่จะสอบดูแลได้มันเป็นของของเราส่วนข้อห้าเนี่ย ข้อห้าเขาเรียกว่าอารมณนาธิปติที่เป็นอธิบดีนอกตัวนอกจิตนะอธิบดีในจิตกับอธิบดีนอกจิตเรามีอธิบดีอยู่สองที่ อ, อ, อธิบดีหลังนี่เขาเรียกว่าอารมอธิบดีหลังเนี่ยอารมณ์เรียกว่าอารมณนาธิปติคือความที่เรารับรู้อะไรความนึกคิดของเราเนี่ยมันมีแรงอยู่สองด้าน ความรุนแรงมีสองด้านหนึ่งแรงทางด้านความคิดความรู้สึกสองแรงทางด้านอารมณ์ก็ดูแล้วก็แปลกดีนะว่าอารมณ์เนี่ยมันอยู่มันเฉยๆแล้วมันแรงได้ยังไงเช่นเราไปฟังธรรมเทศนาจากพร ะ, ะเช่นจากพระพุทธเจ้าที่แสดงด้วย กระบวนการของการแสดงธรรมอย่างครบเวลาฟังแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้มีง่วงมีสงบบ้างบ้านะฮะแต่แต่ว่าในตัวอย่างเนี่ยเคยมีอยู่บ้างแต่ว่าโดยลักษณะของรูตเจ้าเนี่ยท่านมีลักษณะของความแหละเดี๋จะจะนึกไม่ออกว่าใครที่ธรรมบทเล่าถึงพรามสี่คน่ะไอ้คนหนึ่งก็ฟังเทศไปนอนไปนี่เคยเกิดเป็งเหลือมไี้คนหนึ่งก็ฟังไปเขย่าต้นไม้ไป ที่คนหนึ่งก็ฟังไปดูรองฟ้าไปได้ยากหน่อยทีนี้ถ้าถามว่าไอ้ข้างนอกแรงเนี่ยถ้าข้างในแรงมาจากไหนเราพอตอบได้ทันทีข้างในแรงมาจากไหนนี่พูดน้นว่าแรงมาเป็นทุนเดิมนะมันไม่ใช่มาแรงเพราะว่าอารมณ์ข้างนอกมันแรงแล้วก็มาแรงตามอารมณ์แรงมาจากการสะสม อลมตัวอธิบดี้ดยว่าเรามีกรรมเช่นว่าเราทำกรรมไว้ปรารถนาว่าขอให้เราเนี่ยจงเป็นพอใจเป็นคนที่พอใจในความดีในคนดีในความถูกต้องมีสติปัญญาเป็นอัตโนมัติกล้าแข็งจับปรันทันทีทุกพบทุกชาตินี่นะอันนี้ก็กรรมใช่ไหะเราใจกรรมช่วยหรือว่าเราได้ สั่งสมอบรมอุปนิสัยมาด้วยมันก็แรงจากอุปนิสัยปัจจัยที่สะสมมาหรือว่าอาจจะเกิดจากอารมณ์ภายนอกอันี้มันเป็นเรื่องเหตุผลอื่นแหละทีนี้ถ้าพูดถึงว่าข้างนอกเราอ่อนเราก็ต้องหาอารมณ์เครื่องช่วยซึ่งไอตรงนี้นะบางทีเราก็ต้องมองตัวเองให้ออกเช่นว่าคนคนหนึ่ง จะให้ทํากรรมฐานด้วยความเป็นสุขใจพอใจเกิดความเปลี่ยนต่อเนื่องเนี่ยเรานั่งทํากลางแดนก็ได้ใช่ไหมเรานั่งนั่งทําตามที่เจียวเจ้าก็ได้ใช่ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะอาธิบดีเรายังงอนเราต้องพิถีพิถันเรื่องสัพพายะสัพพายะเน้นแก่อาธิกรรมมิกาโยคีเ่กระทั่งว่า วันนั้นมานั่งคุยกับผู้เหนือนการที่นี่แล้วท่านก็มีข้อเหมือนกับผมอยู่อย่างคือบางทีเราจากอาสนะเนี่ยนั่งเฉียงไปนิดนึงเนี่ยนะเคยไปมุมเฉียงนิดนึงมันยังนั่งไม่ได้เลยครับต้องเอามาตั้งถ้าซ้อนอาสนะต้องซ้อนให้พอดีพอดีนะจะซ้อนเหลื่อมหัวเหลื่อมได้ก็ไม่ได้แล้วนั่งหันไปทางไหนทางไหนนี่บางทีพระพุทธรูปอยู่นี่หันหันข้างไงเงี้ยไม่สบายใจนั่งสมาธิไม่ติด ต้องนั่งให้เรียบร้อยต้องปัดต้องควาดต้องวางอะไรต่ไรดีถึงจะนั่งได้ดีทีนี้ก็นั่งคุยกับเจ้าวาดนี่ผู้ช่วยเจ้าวาดก็พูดไปเลยเอ๊ะอย่างนั้นแล้วเราไม่มีอย่างนี้ทำนีมม่มันไม่ไมมีก็แม่สิแล้วคนทําอย่างนี้กลายเป็นคนอ่อนหรือเป็นคนเข้มแข็งทํารอดอะไรคงก็บอกว่าคนทําอย่างนี้นะมันมีเหตุผลของอย่างบอกแม่แต่พระหลานก็ทำอย่างนี้ ก็อะไรรู้ไหมกระทั่งการนุ่งห่มอะไรยังต้องเรียบร้อยเลยครับถึงไม่มีคนเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งทถ้าหลุดไปจากไอ้เงื่อนไขาทางศัพะยะแล้วเนี่ยทำด้วยความเคารพวินยัยถ้าอะไรเป็นเรื่องแสลงวินยัยแสลงระเบียบท่านจะไม่สะดวกใจเหมือนพระสารีบุตรเคารพเคารพคนอันนันเป็นเหตุผลทางความประทันอยู่ ก็ไม่ได้บอกคนเวลานั่งกรรมฐานต้องหันหน้าไปหาอาจารย์นะไออย่างเราเนี่ยอาจจะหันก็ได้ว่าอาจารย์เราอยู่วัดนู้นหันหน้าไปทางวัดนูน้นอาจจะยงนั้นก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะรู้สึกยังไงแต่ว่าอันนี้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราก็ทํามาจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยแล้วรู้สึกว่า น, นี่มันเป็นเรื่องดีอ่ะธรรมะเนี่ยสอนให้เป็นคนไม่ไม่ช่วยนะฮะไม่ช่วยทุกอย่างเรียบร้อย ต้องทำให้เรียบร้อยไม่ต้องคำนึงว่ามีใครมาเห็นไม่มีใครมาเห็นเดวดาก็เห็นใช่ไหมใช่ถ้าสมมติว่าท่านเข้าไปในกุฏิมาฐานของโยคีคนหนึ่งปรากฏว่าข้าวของไม่เป็นระเบียบเลยสกรปรกก็สกรปรกเวลานั่งทำก็เสื้อก็ไม่ใส่กางเกงก็โปลดขอห้อยหลุดนุนสักครึ่งไง ใครจะไม่รู้ว่าใครจะเห็นไม่เห็นได้ไหมอย่างน้อยเทย ว, วดาก็เห็นก็มีความรู้สึกกอไม่คดีไม่เป็นแบบอย่างทางอาจาราที่มโหสถอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไอ้เรื่องระเบียบเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่มีส่วนช่วยเพราะฉะนั้นคนที่อเวลาเขาเขาทำเนีสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอารมณ์อะแต่ปัะญาเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งนั้นนะแตปัญญทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณะปัจจัย ถ้าสิ่งเหล่านี้ระนีดละเอียดดีพอแต่ก็พอก็อหมายความว่าพอเพียงแก่เป็นประโยชน์แกกุศลธรรมอย่าให้เกินเลยเราต้องระวังไม่ให้เป็นประโยชน์แกกุศลธรรมก็เท่านั้นเองเช่นยังไงเป็นประโยชน์แกกุศลธรรมเช่นในกุฏิกรรมฐานมีตู้เย็นวางอยู่ข้างๆไม่เชื่อรองได้มีเครื่องดื่มสาระะพัดรับรองโ ย, ยโยขี่หิวทั้งวัน เดี๋ยวแกลกเดี๋ยวแกลกเมื่อกี้เลดเนี่ยมันมีอะไรได้ช่องมันเอาใจดังนั้นไอพ้พวกปูกผงหมอในอที่มันเป็นประโยชน์แกการนอนยาวมาแต่ปัญญาผู้นยาวมาอยู่ไกลเก็บเก็บให้นไต่ผู้ชมผูแ้แจไปเลยแต่ขืนมาวางไกลๆเพราะเดี๋ยวเอ็นท่านหน่อยอิริยาปถ้าต่ปัญญาหน่อยเลยพานขี้เกียจเลยอันนั้นผมกําลังพูดถึงอารมณ์ที่ดีดีเพื่อกิจอะไรเราต้องรู้อย่าให้เกินเลย และถ้าหากวา่ากำลังจิตของเราเนี่ยเป็นอธิบดีก้าแข็งแล้วเงินไขบางอย่างที่เอาออกได้ก็ลดลงยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อจะนั่งแม้ที่นั้นเป็นที่แค้นแข็งเราก็นั่งได้ก็เรียกว่านั่งไปตามมีตามได้คือสามารถนั่งตามมีตามได้ก็ได้ตามไม่มีตามไม่ได้ก็ได้ ไม่เป็นอุปสรรคแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเรายังติดเงื่อนไขยอยู่ต้องานั่งตามที่ไม่มีตามที่มีตามได้ไม่มีต้องหาให้มีให้ให้ได้มาว่านิดหนึ่งว่าขออ่านบาลีสัก่อนนะบาลีบอกว่ายังยังทำมังฆรุงกัตตวะเยเย่ธรมมาอุปัชฌันติกิจตาเจตสิกาธรรมมาเตเตธรรมมาเจสังเตสังธรรมานาะธิติปติปจัจเยนะปะจโยในข้อหานะอนี่หมายถึง อารมนาธิปติที่ว่าเนี่ยอารมนาธิปติเป็นอาติบดีนอกจิตคําแปลในนี้สักนิดหนึ่งว่าทำทั้งหลายเหล่าใดเหล่าใดคือจิตและเจตสิกกระทําเกิดขึ้นเพราะกระทําซึ่งทำใดๆให้หนักแน่นครุงครุงกตวาเนี่ยเราก็ทําให้หนักแน่นกระทาโดยเป็นอารมณ์ทําให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นบาลีใช้คำว่าครุงกตวา ถ้าจะจําก็จําตรงนี้ก็ได้นะทำเหล่านั้นเหล่านั้นเป็นปัจจัยแกท่ทำเหล่านั้นเหล่านั้นโดยอํานาจอธิปติปัจจัยก็คือทำที่เป็นอารมณ์นะเป็นปัจจัยทำเหล่านั้นที่เป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแกท่ทำเหล่าที่เป็นคือจิตและเจตสิกกระทําเกิดขึ้นเพราะกระทําซึ่งทำ ใดๆ ใ, ให้หนักแน่นคารุงคารุงกัตวาเนี่ยแล้วก็ทำให้หนักแน่นกระทำโดยเป็นอารมณ์ทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นบาลีใช้คำว่าคารุงกัตวาถ้าจะจำก็จำตรง น, นี้ก็ได้นะทำเหล่านั้นเหล่านั้นเป็นปัจจัยแก่ทำเหล่านั้นเหล่านั้นโดยอำนาจอ ธ, ธิปติปัจจัยก็คือ ทำที่เป็นอารมณ์นะเป็นปัจจัยทำเหล่านั้นที่เป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ทำเหล่าที่เป็นจิตที่เกิดขึ้นเพราะอารมนาธิปติกรนี้อารมณ์บางอย่างเนี่ยมันเป็นอธิบดีอารมณ์แน่นอนและใครรับอารมณ์บางอย่างแล้วจิตก็จะต้องเป็นอธิบดีอารมณ์แน่นอนยกตัวอย่างเช่นว่าพระนิพพาน ที่บุคคลปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงนิพพานนี่เป็นอธิบดีอารมณ์แน่นอนเลยเนาะมีพลังสร้างควา ม, มตืน่นเส้นคนจะนึกถึงนิพพานได้ความง่วงไปหาวไปไม่ได้นิพพานจริงๆเนะี่ไม่ใช่เอ่ยชื่อนิพพานบรรยายแล้นิพพานคนอาจจะง่วงทั้งห้องนะแต่ว่าถ้าคนบรรลุนิพพานทั้งห้องไม่มีใครง่วงทั้งห้องถึงจะนั่งหลับตาเหมือนอาการของคนง่วงก็ไม่ง่วง จะตื่นเต้นแรงมากจิตก็เป็นอธิบดีอารมณ์ก็เป็นอธิบดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยจิตเราเป็นอธิบดีแต่อารมณ์ไม่เป็นอธิบดีใช่ไหมจิตเราสดใสแต่ว่าอารมณ์ไม่แรงบางครั้งอารมณ์แรงแต่จิตเราไม่เป็นอธิบดีก็ได้เป็นเรื่องผิดฝาผิดตัวได้แต่การที่เป็นอธิบดีข้างหนึ่งแล้วก็ยก ระดับอธิบดีอีกข้างหนึ่งให้เป็นอธิบดีนั้นเป็นของเป็นไปได้ง่ายคนทำวิปัสสนากรรมฐานได้ใหม่ๆเป็นอธิบดีอย่างเช่นกําหนดเห็นนามรูปโดยความเป็นอานิจจังทุกขังหน้าตาตื่นเต้นไหมใครตอบแสดงคนนั้นเห็นมาแล้วในวิปัสสนานเอาเหอะจะ เห็นหรือไม่เห็นก็ช่างเถอะใครเห็นก็นึกตอบตัวเองเป็นอธิบดีตื่นเต้นบางทีมันตื่นเต้นจัดจนกระทั่งจิตที่ตื่นเต้นน่ะกลายเป็นตันหาไปก็มีตื่นเต้นในตันหาไปมีทีแรกเป็นกุศลดีเป็นของเห็นเป็นของไม่เที่ยงอะไรต่อะไรอย่างนี้นะเออมาพูดถึงตี่นี้ต้องผมแท็กหนึ่งมีคนเขาถามและอยากจะให้ตอบรอคําตอบอยู่สว่างอันนี้ผมจะ ว่าเราที่จำได้ว่าอาทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยใช่ไหมไม่ว่าอะไรแต่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเนี่ยเป็นของแน่นอนเมื่อเป็นอย่างนี้จะขัดกันหรือไม่มีคนถามความจริงเรื่องนี้มีคนถามมานานพระพุทธศาสนาเองก็อนิจจังทุกขังอนาตาใช่ไหมศาสนาพุทธไม่ได้อยู่คําปรากาดินและแม้พระพุทธศาสนายังไม่เสื่อม อะไรอะไรเช่นพระไตรปิฎกก็อ น, นิจังอยู่ตลอดเวลาคนแสดงพระไตรปิฎกก็อ น, นิจังอยู่ตลอดเวลาแล้วทํำไมถึงกล่าวว่าคําสอนพระพุทธเจ้านั้นเที่ยงแท้แน่นอนไม่วิปริตตรงนี้นะเป็นคําพูดคล้ายๆขัดกันแต่วไม่ได้ขัดกันที่ว่าเที่ยงแท้เนีหมายคก็ ว, าาว่าพระพุทธเจ้าทราบรู้เจ้าสอนทุกสิ่งทุกอย่างเที่ยงแท้คําสอนนั้น ขัดกัความจริงไหมขัดถ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แท้คําพูดพทะเจ้าไม่เที่ยงคือไม่เป็นของวิปลิตไม่เป็นอมตะอมตังวาจาแต่พระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างไม่เที่ยงคําสอนนี้เป็นของเที่ยงของแน่นอนเป็นอมตงวาจา แต่สิ่งที่ท่านตรัสเนี่ยตรัสถึงความไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงไปเนี่ยก็เลยไม่ได้ขัดกันอย่างนี้เพราะนั้นปามารมัดแล้วว่าไม่วิปลิตก็คือสอนว่าจิตเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลามาจนบัดนี้ก็ไม่เคยคลืนกลายเปลี่ยนไปไม่ามตาบว่าคำตอบนี้หมดหรือยังมาพอดีกับคำที่จะถามไม่มีอะไรเพิ่มเติมองมาถาม เพิ่มก็ได้นะก็เป็นเรื่องคนละแหนกกันไอ้เรื่องเที่ยงไม่เที่ยงเนี่ยอได้บรรยายไว้ในคัมภีร์คาถาว่าวิจิตพิจามีหลายความเช่นว่าเราจะต้องตายเนี่ยเที่ยงไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงไหมถ้าเที่ยงแล้วทำไมตายเพราะไอ้คําว่าเที่ยงคือหมายถึงว่าความเป็นจริงหรือคําพูดที่ใครพูดก็แล้วแต่ไม่ต้องพูดเจ้าพูดก็พูดได้าคนต้องตายนี่เป็นของที่เราจะต้องตายเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นความแน่ในของความไม่แน่เป็นความแน่ของความไม่แน่ผมขอผ่าน เ, เดี๋ยวขอว่าถึง อ, อ, อารมณ์ดีข้างฝ่ายอากุศลอารมณ์แรงข้างฝ่ายอากุศลแบงผ่านปึกหนึ่งตกอยู่ข้างถนนเราไปเห็นข้าวเป็นปลิตตาลมหรือเป็นอธิบดีอารมณ์ เอาประเภทเขาวัดเขาวัดเนี่ยไม่ต้องไปพูดทุกคนวเป็นอธิบดีอารมณ์ยอมรับนะอย่าถามผมนะทีนี้เวลาไปเห็นเนี่ยบางคนเกิดโลภะบางคนเกิดกุศลและจิตเห็นไปเห็นเนกระเป๋าเขาตกสมมตเห็นก็กแต่ไอคนเราเนี่มันมีพื้นฐานทางความโลภนะมันก็อาจจะรู้สึกว่ายินดีพอใจโลภ ก, ก่อนเกิ็จแล้วไอตรงนี้นี่แหละครับที่มันจะแสดงให้เห็นว่า คนนั้นมีพื้นฐานทางบุญมากแค่ไหนก็เห็นแล้วเกิดความสงสารเข้ามาแทนที่อย่างจับรันทันทีเห็นใจเจ้าของเขาจะปรันทันทีแสดงว่ามีกุศนมากนึกถึงตัวเองนึกถึงเจ้าของทสั์นั้นสงสารเขาว่าเขากําลังกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วป่านนี้กําลังจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วใช่ไหมเราเพราะเราเคยเคยของหายเราก็คงรู้สึกอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นคน ที่มีความโลภจัดมันก็ดีใจโลภะเกิดตลอดรุนแรงมากยิ่งขึ้นขยายตัวใหญ่โตขึต้นแต่บางคนที่พอมีคุณธรรมครึ่งหนึ่งความชัว่วนึงก็สองจิตสองใจเอ๊ะอย่าไปคืนก็ดีไม่นะ่แล้วก็ตั้งเงินไขเออถ้าเขาไม่มาถามไม่มาทักไม่มาตวงไม่คืนถ้า ม, มาทักมันมาตวงไม่มาออกปากก็จะให้รางวัลบ้างก็ไม่คืนด้วยเพราะฉันมีคออ้างกับตัวเอง สู้กับระว่างความดีกับความชั่วก็่าที่นางๆอย่างนี้คงมีประสบการณ์ต่างๆกันแล้วะนะแต่ผมเคยเอาของตกมาเป็นของผมแล้วนั่นเมื่อก่อนแล้วก็ใช้กรรมไปแล้วด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่โลมอ่ะไม่โลมเมือนก็ตื่นเต้นที่แลรกเป็นแล้วก็ไม่โลมจนรู้สึกมันจะอยู่ตัวแลนะไม่อยากได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้คุยว่าเป็นอารานันก็ไม่อยากได้ในขั้นเจริยธรรมธรรมดาต้องมีพวกเราไปกดเงินนะ เป็นอาจารย์อยู่กเสร็จแล้ไม่ได้มาเนี่ยไปกดเงินที่ตู้ ATM อเอทีเอเสร็จแล้วไปเจอไอ้เงินมันค้างอยู่ในนั้นไอ้คนเขาเขาเจคนมากดทีแรกเนี่ยสามพันสี่พันไม่รู้นะตอนนั้ น, นะเยอะเรอามาคืนก็หาคนคืนไม่ได้อ่ะเงินมันอยู่ในนั้นมันมีไอ้ใบรับอะไรแต่อะไรอยู่ไม่รู้<ม>เป็นคนอื่นก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะไอ 3, 000, ้สามพันสีพันเนี่ย แต่คนนี้นยเขาก็อยากจะไปคืนก็หาที่คืนไม่ได้ก็เลยเอาบาปมาให้บุลมนิษฐ์ให้หาตัางหาทางคือเหรียนทำงานตนาการยังไม่ได้ถามว่าไอ้3ามันรีพันน้ะเวลานี้ไปอยู่ไหนเดี๋ยวต้องไปถามแม่แน่ดีนะยังอยู่คนละห้าสิบบาทไอ้คนกดมึงคงกดแล้วมันนึกว่าไม่ออกแต่ว่าเครื่องมันเกิดออก ก็ตัวก็เอาบตดไปซะก่อนมันก็เลยค้างอยู่อย่างนั้นเลยไม่ไรู้ว่าเกนได้หรือยังผมว่าไปเจอเข้าก็าอารมนาทิปเตียนะบางทีไอ้ไอ้ร้อยครึ่งร้อยใครไม่ยื่นให้เนี่ยไม่แรงนะแต่ถ้าตกข้างถนนแล้วแรงทุกคนเนี่ยเพราะมันมันไม่น่ามาตกนี่นะมันกลายเป็นลาบลอยไอ้ที่ เอ่อเงินห้าร้อยพันหนึ่งก็ธรรมดาแต่บางทีไปถูกหวยเลขท้ายสองตัวตื่นเต้นคุยไม่หยุดเลยดีใจเป็นปีว่าตัวเองเกิดมามีสิทธิ์ถูกหวยเขาด้วยพวกนั้นเป็นอธิบดีฝ่ายเป็นประโยชน์แก่โลภะ เสียงของเราเนี่ยก็มีลักษณะของความเป็นอธิบดีที่กรรมมันตั้งมาตั้งกันรูปร่างหน้าตาเราก็เหมือนกันแม้แต่อาการกิริยาแม้แต่อะไรต่างๆของเราแต่ละคนเนี่ยนะมีลักษณะความเป็นอธิบดีอารมณ์อันถ้าใครได้ขันที่มีความเป็นอธิบดีฝ่ายดีฝ่ายกุศลแรงเท่าไหร่ก็ยิงดี แต่บางคนเนี่ยวงคทบอกว่าบางคนมีลักษณะความวิธีดีฝ่ายอกุสนนะคนเข้ามาเห็นเข้าก็เกิดความก้มหนัดเกิดได้อะไรไปอย่างงู้นบางทีตัวเองแค่เกิดมาไม่พอยังไปแต่งตัวให้เป็นอธิบดีฝ่ายอกุสลให้แรงขึ้นมันก็ไม่เคยดีอะ่ะ ทำให้คนอื่งเขาเกิดบาปเกิดอกุศลแต่ว่าบางคน้เห็นเป็นบุคลิกที่น่ายำเกรงน่าเลื่อมใสยอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องในทางดีทีถ้าพูดว่าถ้ามาเข้าวัดเข้าวาเป็นบวชเป็นพระเป็นธรรมกตึกเป็นผู้แสดงธรรมเป็นพระก็ดีอุบาสกดีอุบาสิกาผู้รู้ตามใดก็ดีที่มีลักษณะความเป็นในบดีก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวคนเข้าหากุศลได้สูง ปานเมืองเราก็มีเยอะเป็นลูขับประมาณิกาโกสาประมาณิกาเอาละครับมาพูดถึงอนันตรปัจจัยกับสมานันตระปัจจัยเนี่ยผมใช้เวลาพูดเดี๋ยวๆจบเลยอนันตรปัจจัยแปลว่าความเป็นปัจจัยโดยไม่มีระหว่างขั้นปัจจัยที่สี่ และสามานันตะปัจจัยอัดเป็นอันเดียวกันแต่คำแปแลแปลว่าความไม่มีเราหว่างขั้นด้วยดีเพื่อทานั้นเองอะความไม่มีเราหว่างขั้นด้วยดีบทนิเทศคือภาษาบาลีที่อธิบายความเหมือนกันท่านถือว่าเป็นไัยพจน์เป็นปัจจัยที่ว่าพระพุทธเจ้าทรง เรียกเป็นสองชื่อมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันว่าสมานนันทระปัจจัยอนันทระปัจจัยและโดยความหมายในทางสาระก็คือเป็นปัจจัยในทางพลังจิตในรูปหนึ่งที่จิตนม่มีความเกิดดับและความเกิดดับของจิตเนี่ยมันมีพลังทั้งโดยอารมณ์อารมณ์เข้ามาก็เวลาเราไปเห็นความที่จิตเกิดดับเนี่ย ทำให้เกิดความรู้สึกอะไรขึ้นอะไรขึ้นเนี่เป็นคำถามหรือเป็นคำแสดงความแปลกใจเช่นคนปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานแล้วไปเห็นจิตเกิดดับเนี่ยเห็นแะ้วเฉยๆไหมไม่เฉยเกิดความรู้สึกตื่นตะลึงพราะมันผิดแปลกไปจาก ความคิดความเข้าใจเดิมเห็นจิตและจิตเกิดดับอย่างถียิบเกิดได้วิปัสนาญาณและจิตเกิดความรู้สึกเกิดการล่าคลายโดยอัตโนมัติมากมายหลายอย่างบอกไม่จบหรอกและพร้อมกันนั้นความเกิดดับก็ทําให้คนเกิดอคุสระจิตขึ้นได้เช่น คนที่เห็นกันลั่งหลั่จูจ่ๆก็ตายก็เตือนใจไหมก็เตือนใจแต่มันก็เตือนใจทางบาปถ้าคนนั้นเป็นคนที่เราไม่ชอบตายเราก็ก็เตือนใจเหมือนกันก็เตือนใจทางดีว่าเขาตายจะได้เกิดวความดีอกดีใจเพราะฉะนั้นเวลาที่ เรานั่งรถไปตามถนนบางที่เราจะได้เจอเพื่อนร่วมรถกันเดียวก็เราพูดแปลกๆเซ็กซี่พูดบางบางทีเสียงเอียดยังไม่ทันจะรู้ผลว่าเป็นไงมันบอกว่าดีตายซะบ้ า, บางไอิมอเตอร์ไซค์เวลานั่งเซ็กซี่มันดา่ารถเมย์ดา่ามอเตไซ์เราฝังเวลาเรานั่งรถมอเตอร์ไซค์รถเมย์มันดา่าแท็กซี่เราฝังมันไม่เห็นกันว่าดีอโก้เ็กซี่อย่างงูอย่างนี้ ก็ต่างคนต่างว่ากันและเจออย่างเนี้บ่อยบางทีเหลียวไปเห็นก็เดวก็เดวบอกว่าอย่างนี้ต้องตายมันน่าตายเลยก็คิดไปอีแบบหนึ่งมันคงใช้รถใช้ถนนล้อมกันแล้วแแคงกันมาเป็นแแค่งกันเป็นสถาบันเลยไอเราเราก็คิดไปอย่างพอเอียดขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าเอออย่าให้เป็นอะไรเลยพอเห็นร่วมนอนอยู่กลางถนนเราก็ป่วย อดีตานเวยว่าไปตามกติกาของเรานะก็คิดไปคนละอย่างไอ้จริงเราเนี่ยครับมันก็เป็นอารมณมที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจคนคนนึงไปออดูกันเต็มมาไอ้ล้วก็เลยรถติดเพราะอย่างเงี้ยต่างคนก็ต่างจอดดูเมื่อจะใส่บางคารมีิวสาเลี้ยวกลับไปดูให้เห็นกระตาเครื่องบินตกนี่เป็น เราด่าตกนี่เป็นไงมั้เป็นทั้งอิทธาลมนิธาลมนะอิทธาลมเขาพวกที่ไปไปลดนั่นปลดนี่น่าตื่นเต้นหยอกกัก็มีพวกเราก็ลอยไปกับเขาด้วยนะการนิสาคงจมได้คุณคุณอะไรล่ะเต็มดวงใช่ั้มคนเต็มดวงเทพระสริษ ไปก็เมื่อก่อนก็มานั่งฟังธรรมะที่พอตลอแล้วก็ไปกิตกันในการกเลยตกแต่เห็นว่าคงจะตอนก่อนจะตกคงตั้งจิตดีนะเลยร่างกายไม่เป็นอย่างคนอื่นครับเห็นว่าร่างกายไม่เหลีวแหลกเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาเป็นกันเรช่วยได้แค่ไม่เหลีวแหลกแต่ไม่ช่วยไม่ตายไม่ได้ฉะนั้นเรื่องอธิบดีอารมณ์เนี่ย จึงต้องรู้จักเลือกแม้อธิบดีในจิตอธิบดีภายในยก็ต้องรู้จักเลือกรู้จักควบคุมม่ามมีทั้งบุญทั้งบาปที่เป็นบุญนะก็ทําเขาไว้แล้วเวลาที่เราจะเป็นฝ่ายทําให้คนอื่นเขาเขาเกิดอธิบดีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นอารมณ์ให้คนอื่นเขาจะต้องเป็นอารมณ์ที่ดีคร คือที่ดีมอก็เป็นอารมณ์แรงข้างดีเพื่อเป็นประโยชน์แก่เขาทำบุญทำกุศลสร้างพระสร้างเจ้าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทำให้ให้ดีให้เป็นอธิบดีเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเท่านั้นที่เรียกว่าเป็นทานประนีตเวลาเวลากุศลส่งผลเราก็จะได้อัตภาพที่มีความเป็นอธิบดี เรือนี้ถ้าเล่าก็เป็นปัจจัยชักตัวอย่างประกอบมันจะเห็นชัดเรื่องเก่าๆในพระไตรปิฎกก็มีนะสมัยนี้ก็มีต่อไปพูดถึงออ า, อาอนันตระนี่แหม่อธิบายแล้วนะอานันตละเนี่เป็นปัจจัยที่จิตสืบเนื่องกันที่ถ้าจะอธิบายเขาจะต้องถอดมาเป็นวิถีจิตวิถีจิตเนี่ยมาจากอนันตละปัจจัย ว่าเมื่อจักสุวิญญาณเกิดเป็นอนันตระปัจจัยแก่จิตอะไรต่อไปคือแก่มโนธาตุซึ่งก็หมายก็ว่าเมื่อจักสุวิญญาณเห็นรูปดับไปแล้วมโนธาตุก็เกิดต่อคือมโนธาตุหมายถึงจิตที่เกิดขึ้นมาเพื่อขยายความหมายของรูปที่ตาเห็นแม้จกักแม่โสตวิญญาณ เกิดขึ้นดับแล้วก็เหมือนกันเป็นอนันต ร, รปัจจัยเป็นพลังจิตในลักษณะอุดหนุนให้จิตขณะถัดไปเกิดทีนี้ที่เป็นบาลีแปลกหูเวลาเราฟังเทศฐานมนุกุริมาบริมากุศลธรรมมาปัจชิมานังปชิมานังกุศลานังธรรมานังอนันต ร, รปัจจเยนีนะมันจะอยู่ ปริมาปริมากุศลธรรมมาปัจจิมาณังปัจจิมาณังอับายากตานังตรร ม, มานังอนันตรปรัจเจนนปัจโยตรงนี้ท่านหมายถึงว่าถ้าในขณะชาวนะจิตใดเป็นกุศลชาวนะกุศลชาวนาขณะก่อนเกิดขึ้นดับแล้วทําให้ชาวนะกุศลขณะหลังเกิดขึ้นเป็นลําดับไปเรารู้ถึงภาพชาวนาจิต เะ น, นั้นอนันตระปัจจัยที่แจกออกมาเป็นข้อต่างๆเนี่ยก็เป็นได้เพียงกําลังจะแสดงว่าถ้าเป็นอนันตระระหว่างจิตต่างประเภทก็จะถูกจัดกลุ่มจัดจาพวกให้ต่างออกมาแต่ว่าโดยพลังในตัวมนเองมันเหมือนกันจิต ด, ดวงไหนก็แล้วแต่ดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดวงนั้นดับดวงหนึ่งเกิดต่อดับไปอุดหนุนต่อไปต่อไป อ่าเป็นระหว่างกูศลกับอกุศลเกิดต่อก็คือกูศนกับอกุศนเป็นอนันตระปัจจัยแก่กันถ้ากูศนกับกูศนก็กุศนเป็นอนันตระปัจจัยแก่กันถ้ากุศลอกุศนเจวนาดับแล้วลงสู่ผวางเป็นอัปยาตะาจิตจิตไม่บุญไม่บาปช่วงนั้นก็เรียกว่ากูศนหรืออกุศล เป็นอนันตระปัจจัยแก่อภิญากาตาจิตจิตที่ไม่บุญไม่บาปก็เป็นอนันตรปัจจัยอย่างนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องรายละเอียดครับไม่จําเป็นต้องรู้ถึงละเอียดขนาดนั้นก็ได้การนั้นก็คําว่าปุริมาแปลว่า ป, าปุริมาปุริมากุศลาบแปลว่ า, ากุศลธรรม ก, ก่อนก่อนปุริมาสองครั้งเนี่ยเป็นมายมกหะ กุศลกุศลธาธรามคือกุศลธรรมก่อนๆหมายถึงกุศลจิตนี่ปัจจิมานางังปัจจิมานางังกุศลนานังธรรมานางังแปลตามศัพท์ว่าแก่กุศลธรรมหลังๆปัจจิมาแปลว่าหลังๆคือขณะกุศลจิตขณะหลังๆเกิดขึ้นเพราะ กูเสริญจิตณะก่อนก่อนอุดหนุนให้เกิดเกิดกี่ครั้งก็จนกว่าจะทิ้นวิถีถึงว่าจิตเราเกิดดับแล้วก็เกิดอีกเพราะมันมีพลังตัวนี้อุดหนุนให้เกิดและกุถ้ากูสเจ้หนะ้าเกิดต่อนเนื่องมากแต่ไรเนี่ยมันก็มีเหมือนมีพลังเฉยมากกน่านั้น สำหรับอากุศลก็เช่นเดียวกันและสำหรับอัพยากระตาจิตที่เป็นอัพยากตาธรรมคือไม่บุญไม่บาปเกิดก็อุดหนุนให้เกิดจิตที่ไม่บุญไม่บาปสืบต่อไปได้เป็นธํานองเดียวกันนะก็ขอผ่านไปดูข้อกล่าวเยสังเยสังธรรมมาณังอ น, นันตราเยเยธรรมมาอุปัชฌนสิกิตาเจติกาธรรมมา แปล ว, ว่าทำทั้งหลายเหล่าใดคือจิตเจตสิกธรรมย่อมเกิดขึ้นโดยลําดับแห่งทำเหล่าใดเหล่าใดทำเหล่านั้นทำทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นเป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกเหล่านั้นเหล่านั้นโดยอนันตระปัจจัยอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะว่าที่พูดมาทั้งหมดในเชิงแยกแยกะรายละเอียดเนี่ยโดยสรุปก็คือว่าจิตดวงเกิดก่อน เป็นอนันตระปัจจัยแก่จิตดวงหลังๆเป็นลำดับมานั่นเองสรุปแค่นี้นั้นปัจจัยนี้ขอให้ท่านเข้าใจความหมายในเชิงอัดของปัจจัยเท่านั้นส่วนไอ้ข้อแยกย่อยนั้นไม่ต้องเข้าใจก็ได้ไม่ต้องเข้าใจเป็นพิเศษคนเรียนมาแค่ไหนก็เข้าใจแค่นั้นเรียนวิถีจิตมาก็คือให้นึกตามวิถีจิตว่าจิตดวงใดเป็น จิตกลางเป็นปัจจัยเก่จิตกลางๆก็เป็นปุริมาปริม า, มาพยากตานังปั จ, จิมาณังปั จ, จิมาณังพยากตานังธรรมานังก็ท่า น, นั้นนะฮะสำหรับสมนานตะละปัจจัยอธิบายเป็นอย่างเดียวกันไม่ต้องอธิบายใหม่วันนี้นะผมจะจบไว้เพียงปัจจัยที่ห้า ข่าวหน้าจะขึ้นราชาตาปัจจัยและปัจจัยอือ่นสืบ่อไปจะอธิบายในเชิงความหมายเป็นสำคัญแล้วก็คำแปลข้อขอมวดใจความทั้งหลายนั่นจะทำเอกสารมาให้ในภายหลังต่อต่อปัจจิมานังปัจจิมานังต่อไปฮะ อะไรนะอ่อหะขจะักะจักใครที่ร่วมทำบุญสร้างข้าไตรปิดกไว้แล้วยังไม่ได้รับใบโนโมทนาบัตรไปนะก็กรุณาไปรับได้ที่คุณมนิตฐ์วางอยู่ตรงหน้าคุณมนิษฐนะไปดูอาจจะมีชื่อของท่านสำหรับท่านที่บริจาคโดยไม่ได้ ลงอนุโมทนาบัตรก็ไม่มีนะแต่ว่าที่ประสงค์จะลงให้ชื่อให้ที่อยู่ไว้เนี่ยก็จะออกให้ไปหลับได้ที่นะ เ, เดี๋ยวถามนิดนึงว่าเป็นยังไงฟังปัฎฐานเรื่องสุดยอดของพระวิธรรมเรื่องใครก็แใครเขากลัวกันมากฟังแล้วเป็นงไงน่ากลัวไหมคราวหน้าจะถอยไหมถอยยกมือขึ้นมีได้ จำหน้าอ่อ่าวันนี้ววนะฮะอะไรครับอาอันนี้คือวันนี้นนปัจฐานเหลออ๋เหลือง่ายจนึกก็ไม่ใช่ปัจฐานยางงนะก็อันนี้บรรยายเอาตัวหลักนะฮะจริงๆปัฐานเนี่ยสอนได้หลายแบบ คือมันก็แปลกอย่างหนึ่งสมัยที่ผมสอนเย็นยนว่าโคเนี่ยเขาก็มีรายการบรรยายพระสูตรกับบรรยายประธานพระสูตรมี่เป็นของง่ายแต่คนไม่ค่อยมาเรียนเลยอะต้องงอให้มาเรียนไม่ค่อยมาเขาดูถูกว่ามันง่ายแต่พอประธานเนี่ยเปิดเงียบๆวะไม่รู้มาจากไหนเต็มห้องแปลกเหมือนกันผมว่าประธานเหมือนมีอนุภาพนะที่นี้ว่า เวลาเราเรียนธรรมะต้องเอาสองแบบอย่าไปนึกว่ายังงูนอย่างนี้เรารับได้ถึงตรงไหนก็ขอให้รับปัจฐานก็ควรจะเรียนไว้ในเวลานี้ท่านเรียนฟังชื่อฟังหลักฟังเขบได้เนี่ยก็นับว่าเพียงพอประเสริฐแล้วที่จะได้เป็นบุญเป็นกุศลอ่าของท่านเรียนที่สอนเนี่ยผมเพื่อให้เรียนเอาไว้ฟังสวดเรียนเอาไว้สวด เวลาพระมาสวดเราพิธรมมันจะได้ฟังไม่ต้องให้ใครมานั่งแปลบอกไว้เลยไม่ต้องไปส่งเข้าวัดจนประทานเพราะว่าเราฟังแล้วรู้ได้เองไม่ต้องให้พระมานั่งสวจแปลเป็นภาษาไทยนี่เยจะตายยังยิงยังยิงอีกยิงกับพระแล้วก็มันอันหนึ่งคือคนที่เรียนปรนัชญาค่อนข้างจะเป็นคนมั่นคงในศาสนานะนี่ก็เป็นข้อ ก็แปลกอันหนึ่งนะไม่ได้ไปเรียกร้องหรอกพวกรียนเนนี่คนนี้เ่าจะเป็นคนมั่นคงแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราจะได้เรียนขยายเรียนแง่มุมต่างๆได้อยองมากบรรยายแบบเ อ, เอาเอาตัวเลข ก, ก็ได้บรรยายแบบเอามุมปฏิบัติความมาตรฐานของประสานก็ได้ไอตรงนี้เราไม่ค่อยได้พูดกันวันนี้ก็ขออนุมโมทนาขออาจารย์นิสามีอะไรเครับเชิญ ่ะที่พอสาวรอเนี่ยเราจะเริ่มกันสาวหน้านั่นก็ง่ายจนหน้าไม่น่าไปฟังประวัติการบรรลุธรรมของพระริยสาวกยังบังเอิญที่แล้วมาเนี่ยพูดได้ครึ่งพราหลายร้อยรูปเหลือเกินก็ยังเหลืออีกครึ่งก็จะพูดจะให้ให้จบไปเรื่องประวัติของของพระแล้วเราจะได้มาเข้าในเชิงวิจารณ์บริสุทธิ์กันอีกที วันเสาร์หน้านะครับเวลาบ่ายสองหมงที่นี่มีปฎฐานมีถึงสิ้นพุทธภาคมพอที่พุทธภาคมก็จะเข้ารายการปกตินี่ถือเป็นรายการพิเศษที่วานเนี่ยพิเศษคือบรรยายแทรกปฎฐานอที่สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะพิเศษตอนพิเศษส่วนเข้าพรรษาเนี่ยจะมีอะไรพิเศษเนี่ย วันอาทิตย์เนี่ยเรามียื น, ย, น ย, นะยืนตลอดนะก็ไม่มีเหตุจาเป็นก็ไม่เลิกก็ยังไม่มีเหตุจาเป็นเลยจะต้องเลิกจะต้องหยุดปักแต่ว่ามันไม่ดีก็ตรงที่ว่าช่วงหลังนี่คนสอนเกย์หมอยหน่อยฮะเดี๋ยวเกไปโน่นเกยไปนี่เกเ ก, กลับมาทีก็พวกหายหน้างไปเป็นบางคนบางกลุ่มทีก็ต่างคนต่างเกแต่คนสอนเกแล้วมา แต่คนเรียนบางคนเกแล้วเ ก, เกไปเลยแต่บางทีก็ไม่ใช่เกย์จริงๆนะคือเกก็หมายว่าก็ไปล่ําไปเรียนที่อื่นที่เหมาะสมที่จะล่ําเรียนต่อก็นั่นไม่ใช่เกย์นั่นดีไปเถอะนะฮะถ้ามีช่องทางจะไปขยับต่อไปได้ก็ไปอก็คงจะยุติตอนนีนะฮะขอให้